ตรงไหนที่มันจะพูู้แฟบแฝบนิ่งลงไปคิดใจตรงไหนที่มันจะทะเยอทยานลงไปเอาระเบียบต่างๆเข้าไปประดับตกแตง่งเหมือนกับม่ลดไม่ลาใช่รถใช่ลาใช่ในเวลามันจะผิดมัลด ถ, ถ้ามันดีมันมีคุณภาพตรงไหนที่มันมีหลุมมีบ่อมันจะพยายามใช่ซกใช่อับใช่แนบใช่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 จะไปเอาเรื่องอื่นมาเป็นเจนความหลงแม้มันจะมีเรื่องอื่นก็เน่งเอาไว้เช่นเวลาเราทำสมาธิเสียงโกก้าโกก้าเสียงไฟอื้อนิ่มมันเจงตรงนั้นนะไม่ใช่พราะไม่เลยเกิดที่จะรุ่มเร็ววันไหวไม่ใช่นิ่งตรงนั้นนะไอเสียงอะไรที่มันทําให้ตก อ, อกใจทำให้ขาดสติขาดสมาธิเพิ่มลงไปมันจะมี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 วัดปฏิบัติตื่นขึ้นมา 3, ตีสามตีสี่เตยมสวดมนต์ไหว้พระฟังเทศฟังธรรมทำสมาธิทำใจล้นัง่งฟังธรรมมันจะไหลไปไหนมันก็ปฏิบัติไปนั่นแหละโวเงาหอนอนปฏิบัติไปปกตัวยังให้ตื่นอยู่เสมอรู้ตัวยังให้รู้เสมอยิ่งพวกเราเคยเป็นคารวะญาจโจมมา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 จำเป็นมากมกการมีชีวิตเป็นนักปฏิบัติเป็นผู้ปฏิบัติธรรมจึงพอมาเจริญสติทูความคิดมันไหลมาปทัทธุเรามีงานไม่การแล้ววันนี้แสดงว่าเราไม่งานแล้ววับเนี้ยทำงานอันนี้ลองดูซิว่ามันจะเป็นยังไรไม่ใช่ว่าไม่มีงานไม่เห็นมีอะไรไม่ใช่พอมาสร้างสติดูซิอะไรที่มันเกิดขึ้นที่ไม่ใช่สติมันมีเยอะ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 ะไรมันหลงเราก็รู้อยู่มันเป็นงานเป็นการเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เน่ไม่มีอะไรที่จะสมน้ำสมเนื้อเท่ากับงานแบบนี้เออสมน้ำสมเนื้อให้ว่าอย่างไรเป็นกอบเป็นกรรมเป็นมรรคเป็นผลเหมือนชาวนอยชาวลอยเออปีนี้มีมรรคไม่ผลได้ข้าวปลาอาหารเต็มมรรคเต็มผลชาวลอยชาวสวนผ่อข้าเอาคำลอยเขาข้าขายเขา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 มันร่มเร็วรักษาป่ารักษาสัตว์ป่าไม่มีสักตัวตอนนี้รักษาต้นไม้ ก, ก็ไปแล้วหมดแล้วครึ่งหนึ่งแล้วเกินครึ่งไปแล้วต้นไม้ต้นโตโตถูกตัดถูกทำลายไปหมดสิ้นเลยแต่ว่าหลวงพ่อไม่ล่มเร็วไม่ใช่ความผิดของเราถ้าเราเป็นคนทำผิดเองจึงจะเป็นการร่มเร็วเราไปฆ่าสัตว์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 หายปลาถานนเออบอกการเงษตรป่ะพาไปด้วยนะมันก็เป็นอย่างนั้นไปแล้วนะไม่ใช่ล่มเห็วเราไม่ล่มเห็วแต่ความไม่เที่ยงความโรยไหลของสังขารบางอย่างเราก็รู้เราก็ไม่ใช่ความล่มเห็วของเราไม่ใช่ความล่มเห็วเราไม่ล่มเห็วจริงปฏิบัติทํามมันเป็นมรรคเป็นผลเป็นกอบเป็นกรรมสมกอบสมกรรมมีจริงๆเก็บไว้ กรรมไว้มันก็ใช้ได้จริงเป็นกอบเป็นกรรมขึ้นมาทำงานมือเป่าไม่กายไม่ใจมาปล่อบๆพอมาทำขึ้นมาเกิดม่กเกินผลเกิดที่กายเ่ใจเลิกสุบหรี่เลิกกินเหล้าเลิกโง่หลงงงไรเป็นกอบเป็นกรรมเลิกทุกข์เลิกไม่มีอะไรต่างๆเป็นกอบเป็นกรรมขึ้นมากอบกรรมของมรรคของผลเน่มันไม่มีอะไร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 เป็นห่วงติดตามมาดูอยู่ได้หรือเปล่าอู้กลัวทำไมตรงไหนที่มันลำบากเราต้องลุยมันสักหน่อยไม่ใช่อ่อนแอต่อวันหนึ่งเคยอยู่ที่ไีนเคยในพระล้มลตามาจากอำเภอหนองสองห้องแต่มาอยู่กับพ่อนีนแล้วเออมาๆแต่ว ม, มนั่นอยู่คนเดียวพอมาแล้วก็เจอกันไปคุยกันมาคว่าบุรีออกมาสูบอุย้ยสูบปุรีจังเลย ที่นี่ไม่ได้สวบุรีนะเอบุรีใส่ยาา่ามาก็เออช่นอ่ะเออผมจะไปเยี่ยมอบ้านญาติชั่งหน่อยอยู่เนี่ยใก ล, ใกล้ๆวัดนะพ่อข่วงเป็นญาติกันเออเนี่บ้านพ่อข่วงอยู่ใกล้ๆเนี่ยอร่อยไปพายย่ามไปพายบาตรไปไม่ออกมาเลยปัปไม่ออกมาวัดเลยนอนอยู่ในบ้านบ้านกําลังเล่นหนอนนอนอยู่ใต้เล่า บอกให้ออกมาไม่ออกมาไปเลยแนจะ้งกูหรี่เดยไปเลยกลัวแล้วกลัวเล ว, ลวไม่ไหวนะไม่ไม่ไหวอนะอย่าล่มเหลวอย่างนั้นนะพวกเรา